ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนเอธรรมธายาสสูตรคือพระสูตรที่พระเจ้าทรงเน้นย้ำให้ภิกษุทั้งหลายเป็นธรรมธายาโดยไม่ควรเป็นอามิสถายญาต ประเด็นขอธรรมทายาทกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการปฏิบัติตนไปตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในแง่ของความเป็นจริงก็ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆหมายความว่าในส่วนของทุกข์สัตย์ก็กำหนดรู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไป ในขณะเดียวกันก็ครองตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทปรากฏเรามาเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพรัพดพราคสูญเสียเป็นปกติธรรมดาในข้อต่อไปก็คือกลุ่มของสมุทัยสัตว์เกิดจะต้องมองเห็นโทษแล้วก็เพียรพยายามลดละจนถึงกระดับไปได้ในที่สุด ในส่วนของนิโรธสัตว์ก็เป็นเป้าหมายที่มุ่ง ม, มั่นเพื่อจะบรรลุผลตรงนั้นในส่วนของมรรสัตว์ก็คือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติไปตามสุงควรแก่กรณีขององค์ธรรมนั้นๆกประมาณถึงบทสรุปในอริยมรรส์ซึ่งเป็นกุศลละธรรมที่ควรแก่การบำเพ็ญ ที่แน่งง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือเมื่อเราเจริญกุศลแล้วอากุศลก็ถูกกระจัดไปเองโดยธรรมชาติของมันแต่วันในที่นี้ท่านยกมาทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจถึงลักษณะสภาวะเหตุเกิดตอนเราทั้งทางออกจากอากุศลเหล่านั้น แล้ว ก, ก็การเพียนพยายามที่จะสร้างกุศลหลอดสร้างกุศลและธรรมให้บังเกิดขึ้นวอนก่อนก็ได้มาพูดมาถึงสมากมันตะที่เราอาจจะแปลว่าประพฤติชอบแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่้นแปลว่าทำการงานชอบก็ถือว่าทำการงานชอบ ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือการยอมรับนับถือแล้วก็ไม่ร่วงละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นตรงนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเราศึกษาธรรมะนี่เจอทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองโดยภาพรวมๆนะฮะวาลงทั้งปวงที่จริงมันก็คือสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต แล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมป้านศินข้อที่หนึ่งก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยกายกับจิตที่จะต้องให้การยอมรับนับถือไม่ร่วงละเมิดสิทธิในชีวิตของเขาศินข้อที่สองเป็นทั้งทรัพย์ทั้งชีวิตคือหมายความว่าที่เป็นทรัพย์เนี่ยเป็นชีวิตด้วยก็มีที่ไม่มีชีวิตก็มี เพงก็ บ, บุคคลจะต้องให้ความเคารพในสิทธิของเจ้าของเขาแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินเหล่านั้นในคู่ครองที่จริงเขาก็มีชีวิตนะเขาก็เป็นชีวิตแต่เป็นการพูดในแง่ ม, มุมของการล่วงละเมิดในทางเพศจะนายกไปล่วงละเมิดละเมิด นางคอซึ่งเป็นเมียขานายขออย่างเงี้ยแต่ที่จริงนางคอมันก็คือชีวิตแต่เราไปทําลายก็ผิดศีลข้อปานาทิบาถ้าชุดฆ่าไปกะัะค้งลวงเหนียวเอาไว้ก็ผิดศีลข้อที่สองถ้าไปล่วงละเมิดในทางเพศก็ผิดศีลที่สามแต่ไปโกหกหลอกลวงเขาก็ผิดศีลข้อที่สี่ เพราะงั้นจึงเป็นบทสรุปแล้วข้ออื่นเองก็กระจายไปจากข้อนี้ในข้อต่อไปคือสมมาอาชีวะแปลว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแสวงหาเพื่อการได้มาซึ่งปัจจยสีในการดำรงชีวิต เกิไม่โลภมากเกินไปพอาะโลภมากเกินไปก็จะออกมาเป็นอัจฉากรรมในรูปแบบต่างๆจนถึงก็ทำลายสภาพแวดล้อมทำลายทรัพยากรธรรมชาติงลงนเมื่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นอย่างปัญหาที่กระจายอยู่ในส่วนต่างๆของโลกเวลานี้เราเห็นว่าล้าเส้นสินทำไปเยอะมากในข้อนี้เองท่านก็กล่าวไว โดยโครงสร้างเดิมนะฮะว่าสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบหมายความว่าการสแบงหาการได้มาการครอบครองการไปพกใช้สอยการเก็บออมการแจกแบงทรัพย์สินเหล่านั้นทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดสรินธรรม เป็นการพูดระดับกฎหมายสินธรรมแต่ว่าตัวสมาชีวะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นอาการของปัญญาที่ไปควบคุมตัวโลภะเอาไว้จึงกลายเป็นสมาชีพแต่ถ้าหากว่ากากับควบคุมไม่ได้มันก็เป็นมิจฉาชีพพอนมันเขาเกิดขึ้นเขาจะขจัดตัวมิจฉาชีพออกไป เรียกว่ามิจชาชีวะและกิเลส ท, ที่เป็นข้าศึกต่อสมาชีวะทั้งหลายเนี่ยจะถูกกจัดออกไปเพราะน่าจะเห็นว่ามิจฉาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพในฐานที่ผิดถ้ามันเกิดมาจากอะไรก็เกิดไปจากกิเลสเพราะกิเลสจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาชิาตประสาทใจที่จิตถูกรุ่มรุ่มด้วยกิเลส โอกาสที่จะเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็เกิดขึ้นได้ยาเพรางความเข้มข้นของกกเลก็ต้องลดลงไปลดลงไปจนอยู่ในจุดที่สามารถกากับควบคุมความโลภแม้แต่การมาราคาหรือแม้แต่ความปรารถนาให้อยู่ในทิศทางที่ไม่ละเมิดกฎหมายและก็ไม่ละเมิดสินธรรม ให้เราสังเกตว่าเช่นการค้าขายยาพิษค้าขายอาวุธค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตราต่างๆค้ข า, ขายสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยเป็นการมองเฉพาะสิ่งที่ตัวเองจะได้แต่ไม่มองถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเหล่านั้นออกไปเพราะอาจจะเป็นพิษเป็นภัยเกิดโลกมาสาร แต่ถ้าเรามองกันด้วยความจริงนะฮะแต่ไม่ใช่ความเป็นธรรมเรียกมองกันในแง่ของข้อเท็จจริงโลกเรามันแก้ปัญหาจุดหนึ่งแต่ไว้สร้างปัญหาจุดหนึ่งัมนมีลักษณะคล้ายๆลูกโปง่งที่เรากด ต, ตรงหนึ่งมันก็ยุบลงไปแต่มันไปโป่งอีกจุดหนึ่งพากดอีกจุดหนึ่งแล้วก็ไปโป่งอีกจุดหนึ่ง แต่ยกตัวอย่างว่าปัญหาการปลอมบวชซึ่งเกิดขึ้นในสังคมต่อนเนื่องกันมาเวลานี้ก็ยังแก้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยเคยคุยกับระดับสารวัตใหญ่สมัยนั้นสมัยนี้คงเรียกว่าผู้กับกลับไปแล้วนะแต่รู้บ้านช่องห้องหอของคนเหล่านั้นเรียบร้อยทุกคนเลยแต่ก็ทำไม่ได้ เพราะาอะไรเพราะที่เขาทําเช่นนั้นเพราะเขาปร ะ, ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจก็มาอาศัยเลี้ยงชีวิตด้วยการปลอมบวชเป็นพระบ้างเป็นชีบ้างทีนี้ถ้าไปหยุดตรงนั้นปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่ลดพอไม่ลดเนี่ยแกก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องเลี้ยงดูครอบครัวแกก็ต้องออกมาในรูปอาชีพกรรมซึ่งอาจจะแรงกว่าการปลอมบวช มืนบรบบรข่าวบรรข่าวก็เลยเป็นการเลี้ยงโรคเอาไว้คราวนี้เราสังเกตว่าการปราบปรามอั จ, จกรรมอย่างเอาจริงเอาจังของรัฐบาลเนี่ยปัญหาภาคใต้เป็นอันมากมันเกิดขึ้นจากน้ํามันเถื่อนเกิดขึ้นจากแกล้เถื่อนเกิดขึ้นจากกองทัพบดเกิดขึ้นจาก ยาเสพติดให้โทษเกิดขึ้นจากอาวุธสงครามเกิดขึ้นจากอะไรทําไมอะไรมากมายหลาย ก, กอง น, นั่นก็คืออะไรคือว่าคนที่หากินในทางมิจฉาชีพเนี่ยมันเยอะมิจฉาชีพเนี่ยมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจเขาแต่ว่าไปทํำลายสังคมทํำลายสินธรรมทําำลายสุขภาพพลานามัยของคนทั้งหลายเนี่ย คือความสูญเสียด้มากกว่าการได้แต่คนที่เขาเขาทำเนี่ยเขารู้สึกเขาได้คนใครไปขัดขวางเขาเขาก็โกรธแล้วก็จ้างพวกเด็กว่างงานที่ฝึกอาวุธยุทธโตยุทธ ป, ปัจจัยมายุทธโภปรกรณ์มานะฮะเรก่อกการเนี่ยที่เรารู้เราเห็นกันโลกก็คงจะเป็นอย่างนี้นะ คืแก้เบสิทธเดือดขาดเป็นของยากแล้วในความเป็นโลกที่จริงก็แก้ที่ไหนยังไม่ได้นอกจากก็แก้ในส่วนปัจเจกนชนหลายหลายคนแล้วคนเหล่านั้นไปอยู่ด้วยกันเห็นว่าสังคมของพระอริยะเนี่ยเราเห็นว่าเป็นสังคมที่ศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ไม่มีกัหาใดยแต่จะได้คนกลุ่มไม่มาก เพราะคนกลุ่มหนึ่งก็ยังไปมีปัญหาเพราะในสังคมพระอริยะนี่ท่านอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีคนพวกอาศัยกินเศษกินเลยเขาเรียกคนกินเดนเข้าไปปวนอยู่ภายในวัดนั่นแหละพระอาจารย์เสร็จก็ไปแยกอาหารกันส่งเสียงหรือกระตึกรครมบุ่นไวายก็เป็นปัญหาถาวรก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้คือคือสุดยอดคนสัมมาชีวะก็อยู่ตรงนั้นนะ แล้วก็มิจฉาชีวะก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่ก็อยู่ที่นั่นเนี่ยถือถ้าเรามองโลกด้วยความเข้าใจแล้วเนี่ยจะมองคนเหล่านั้นด้วยความเข้าใจเห็นใจให้อภัยอดทนก็ไม่รู้จ่าไปซ้ำเติมอะไรเขานะฮะคือถ้าผลักออกไปมันอาจจะแรงกว่านั้นแต่นี้คนเราบางทีมันก็มองอะไรในมุมใดมุมหนึ่ง ย้อวันก่อนก็นึกชอบใจพระนวการูปหนึ่งเนยะท่านโทรศัพท์มาที่สถานีวิทยุแห่งเนี้ยในรายการนนจันทร์ทือท่านบอกว่าให้อธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องตอบคําถามใครจะบ้านที่ถามมินัยพระเราตัวเองไม่ได้ปฏิบัติแต่ชอบถามมินัยพระไม่ถามศีลตัวเองเอ๊แกแกแกเป็นพระ บ, บุตใหม่นะฮะแกก็ถามดีอ่ะ แต่ว่าแกก็ลือไปว่าการตอบคาถามนี่ตอบตามที่เขาถามก็าถามอะไรมาก็ตอบอย่างนั้นแต่อย่างกรณีที่เนี่ยถึงพระรับเงินรับทองเนี่ยฮะรับปัจจัยในปัจจุบันธนบัตรในปัจจุบันเนี่ยโดชอบถามโดชอบปรับประบัติซึ่งถ้าเป็นอาบัติเนี่ยท่านก็รับผิชอบตัวท่านเองเนะฮะ อาบัตอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นปันนติวัชชะมันเป็นความผิดสำหรับพระมันไม่ได้เป็นความผิดสำหรับโยมันไม่ใช่ฆ่าคนรักทรัพย์ประพฤติผิดในกามันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอาบัตที่เป็นปันนติวัชชะเป็นกฎกติกาในส่วนหมู่พวกของท่านก็ทํานอางดีกับพระฉันข้าเย็นนั่นแหละไม่ได้เป็นบาปกรรมสากลอะไรหรอกเป็นกฎกติกาในหมู่คณะของท่านว่าพวกเราไม่กินข้าวเย็นนะ แล้วก็พยายามรักษากั น, นะใครหลุดไปสักองค์มันก็ตั้งต้นกันใหม่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะเราเอาคนธรรมดามาฝึกนะฮะไม่ใช่เอาเทวดามาฝึกแลาะแนวสมาชีวะเนี่ยมันจึงเป็นแนวที่เราต้องมองโดยเหตุผลโดยความเข้าใจว่าจะเข้าถึงจุดที่สมบูรณ์มันยาก แต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเกณฑ์นคนอื่นแต่โลกเป็นไปตามกรรมแต่คนเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเขาเป็นไปตามกรรมเขาเราก็พยายามเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเราก็เป็นไปตามกรรมของเราแล้วกอยู่ในสู่องการทําดีได้ดีทำชั่วได้ช่วยนะครคือมิจฉาชีพเนี่ยมันจะนําไปสู่ความยากร้ายความทุกข์ทรมานต่างๆ ในภพชาติที่ตนเกิดละแต่ในที่นี้เนี่ยทรงแสดงให้เห็นว่ามันเป็นมัตคือถนนที่นาไปสู่นิพพานด้วยกันเขาบอกว่าสมาชีวะเมื่อเกิดขึ้นย่อมละมิฉาชีวะและกิเลสที่เป็นข้าสึกต่อสมาชีวะนั้นได้กระทานิพพานในเป็นอารมณ์และย่อมยังสามยุตธรรมทั้งหลายให้ผองแผ้วโดยชอบเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า สมัยชีวะอย่างนี้เขาเรียกว่านิยามนะเป็นการนิยามให้ดูตามปกติแล้วภาษาบาลีเนี่ยท่านจะมีบทวิเคราะห์บทนิยามแต่และข้อเนี่ยคือถ้าเราจะให้เข้าใจถึงท่านเราก็ต้องบทบทวิเคราะห์นิยามอย่างนั้อย่างในอภิธรรมเนี่ยเขาจะพูดถึงลักษณะกิจรถปัจจุปทาน เจดีดิมีลักษณะอย่างไงจิตคือมีหน้าที่อย่างไรรงรถคือสิ่งทิ่จิตสัมผัสมันเป็นยังไงแล้วมีอะไรปัจจุาฐานคือตักระตุ้นน่ยมันเกิดขึ้นเกิดริโอตาะปะแต่การศึกษาในรายละเอียดเป็นอาการที่ปรากฏแก่จิตของคนมันสมาวิจาสมากรรมัตะสมาสีวะก็คือศีล เขาเรียกว่าจัดเป็นสีละสิกขามีความระเมียดระไมลึกซึ้งแต่ละข้อเลยจัดกัดจัดเป็นเขเรียกอธิศีลสิกขาคือสียิ่งศีลที่บริสุทธิ์หมดจุดต่อไปสมาวายมะคือความพยายามในทางที่ชอบสมาวายมะนั้นเน้นไปที่ความพยายามใหญ่ๆสี่เรื่อง พระบาลีพุทธวจนะที่ส่งแส ด, แดงเนี่ยมันเป็นเคล็ดนิปปรญยายคืออย่างนี้ทุกทีพูดอย่างนี้ทุกทีอะให้เราสังเกตเหมือนอะไรครเงมนเราทํากับข้าวเช่นสมมุติว่าทําน้ำพริกปลาทูเนี่ยอย่างนี้ทุกทีอะทำส้มตำเนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีทําขนมอย่างใดอย่างหนึ่งทองหยิบฝอยทองทองหยอดมันก็อย่างนี้ทุกทีอะ มันไม่ใช่ซ้าแต่ว่าสิ่งนี้มีองค์ประกอบอย่างนี้แหละแต่องค์ประกอบเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาก็เป็นสิ่งนี้พระองค์ประกอบของสมาบยญญัตก็มีลักษณะอย่างนีน้เป็นความเพียรพยายามที่ใช้ปัญญาวิเคราะห์สอดส่องมองไปข้างหน้าชัดเจนสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นคุณนี่ชัดเจน ตอนสิ่งที่ยังไม่เป็นโทษซึ่งยังไม่เกิดปัญญาก็จะวินิจฉัยว่าอย่าให้มันเกิดผลงานตอนนี้เราจะเห็นว่าสติสัมปัญญาความเพียรเนี่ยก็จะทํางานประสานกันสติเป็นตัวระลึกสัพพัญญาสัมปชัญญะเป็นตัววินิจฉัยตัดสินความเพียรจะเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นแรงประทะ ที่จะป้องกันบาปอกุศลต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นเพราะแนวนตัวนี้ก็คือแนวสำรวมระวังอ e. ินทรีย์เวลาตาเห็นรูปผูกฝังเสียงจ ม, มูกรมกรลิ่นลิ้นนิ้มรดกายถูกต้องเย็นนอยนอนแข็งใจเหนียวนึกตรุกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่สนใจสั บ, บ้างเฉยๆสัก บ, บ้าง แล้วก็อย่าทำใจให้ยินดีอย่าให้ดินร้ายเยือให้อย่าให้รักหร้ายสั่งคือคำถามสุดท้าอย่างที่บอกเนี่ยพ่ามองอะไรฟังอะไรดมอะไรลิ้มอะไรจับต้องอะไรทำไปเพื่ออะไรทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรทำมปแล้วได้ประโยชน์อะไรทำไม่ได้ มันก็ไม่ใส่ใจเพราะตามปกติแล้วอารมณ์ที่จะทำปฏิกิริยาต่อจิตจิตจะต้องใส่ใจถ้ามันเกิดในทางบูดแสดงว่าการใส่ใจนั้นไม่แยกขายขาดเหตุผลขาดสติปัญญามีเรื่องเป็นนันมากที่เราโลกมาแบกครับทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรา เพราะนจึงทรงสอนอยนโสมนัสิกานังกล่าวนั่นเองอินเซียสังวรนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะว่าเราอยู่ในยุค ข, ข้อมูลข่าวสารสื่อสารโท ร, รคมนาคมสารทั้งหลายเนี่ยมันผ่านเข้าไปจนบางทีเนี่ยมันกํากับควบคุมไม่ได้ เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่พวกสื่อสารเนี่ยฝ่ายพวกกลุ่มสื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันส่งมาจากกลุ่มผลประโยชน์มหาศาลที่มีการบริหารจัดการที่ทรงประสิท ธ, ธิภาพสูงมากสามารถโน้มน้าวจิตใจดึงดูดความคิดของคนให้เข้าไปสู่เป้าหมายที่ตนตั้งเอาไว้ มีการโฆษณาประชาะสัมพันธ์ชวนชวนชวนเชื่อมีการลดแรกแจกแถมด้วยวิธีการต่างๆในปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่น้ำมันแพงแพงเรามากนะตอนนี้คือจะนึกบางทีไปบรรยายอบรมเด็กที่ต่างจังหวัดรุนทางกกไกลเสียเวลาเยอะแปชก้าวโบงไปกลับเนี่ยน้ำมันก็แพง บางทีคาถามมันไม่เคยมีสาระเราก็เสียดายเวลาที่มาต้องตอบแต่ว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายนี่มันเปลี่ยนแต่แม้แต่รายการมันจันทร์เองเหมือนกันคือบางทีสังเกตว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมัน ท, ที่ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือผู้ชายนี่มากกว่าผู้หญิงแต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างไกลตัวคือตอไปแล้วในแก้ปัญหาอะไรใครไม่ได้ เช่นมา่ถามปัญหาเรื่องการปฏิบัติของพระเราก็ไม่รู้พระองค์ไหนแล้วท่านฟังอยู่หรือเปล่ามันตอบมันก็ตอบได้แต่ว่าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะถ้ามีการถามปัญหาเฉพาะที่ตัวข้องใจสงสัยที่ตัวจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้อเกิดประโยชน์จะแนวการถามปัญหานี่จะมีลักษณะอย่างนี้รือโดยเฉพาะคนประเภทครูกับตำรวจเนี่ย เคยตอบปัญหาเยอะถามออกนอกตัวตลอดลไม่ถามเรื่องส่วนตัวเลยกระตือเป็นเรื่องแปลกแนวตัวเนี้ยมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแสดงให้เห็นว่าเราไม่สมบูรณ์อินทรีย์ของเราถ้าตัวอินทรีย์เนี่ยมันต้องมองกลับมาที่ตัวเราเราคิดจะแก้ปัญหาข้างนอกมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าเรามองกลับมาที่ตัวเรา ตรงเนี้ยคนนี้มีท่าทียังไงถ้ายินดีเนี่ยอะไรจะเกิดขึน้นถ้าโกรธเนี่ยอะไรจะเกิดขึน้นมันไม่ได้เรื่องทั้งสองเรื่องเพราะอย่าลืมว่าการรักการขโมยทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มต้นจากความพอใจตลอดทังการ ruption, คอร์รัปชันกงกินกินบ้านกินเมืองทั้งหลายเนี่ยจริงมันเริ่มจากความพอใจ แลวเป็นประกายไฟที่เริ่มจุดขึ้นมาแล้วก็ลุกลามไปเรื่อยๆความโกรธเนี่ยความไม่พอใจเขาเรียกว่ายินร้ายเนี่ยมันนาไปสู่การล่าขลานกันบางครั้งก็ได้ข่าวเล็กน้อยนะจุดประกายความโกรธขึ้นภายในใจจากนั้นก็หาข้อมูลเพิ่มเติมหาข่าวเพิ่มเติมมากขึ้นเพิ่มความโกรธเพิ่มขึ้น แล้วในสุดก็มีปฏิบัติการรุนแรงที่นำไปสู่การทำลายล้างซึ่งกันและกันราะกรรมาธกสอได้แนวที่เรียกว่าสั่งวรระฐานแต่ว่าเวลารับสั่งเป็นพระบาลีพุทธวจนะเนี่ยทรงใช้คาว่าสันดังชนติวายมติวิริยังอารัปติยังความพอใจบังเกิดขึ้น ลาความเพียรแล้วก็พยายามต่อเนื่องกันไปเมื่อไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเอาชนะใจตัวเองได้ในจุดใดก็รักษาจิตไว้ในจุดนั้นและพยายามต่อไปในการป้องกันอกุศลที่อย่างไม่เกิดแม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วเนี่ยไม่ได้รับเชือ้อจากะไม่ได้รับเชื้อใหม่ อย่างนี้เรียกว่าอินเสียสองวรก็มีสังวรประทานก็มีเรียกว่าสัญญมะคือสํารวมระวังก็มีเป็นหลักใหญ่นะฮะเป็นการปิดกั้นประตูบ้านเอาไว้แม้ข่าศึกเข้ามาสู่บ้านเพราะการตำรวมระวังอินทรีย์จึงเน้นเฉพาะสิ่งที่เข้ามาสู่จิตแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้น ที่เกิดแล้วจะเพิ่มผูดมากิขึ้นแต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยนั้นมีการจางคลายของกิเลสก็ปล่อยเข้ามาโพราะภูสนธรรมทั้งหลายเองก็เกิ ด, กดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกันก็ต่อไปเรียกว่าปะหานะปะทานให้ปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทําความเพียรอย่างต่อนเนื่องจิตตังจิตตัง ปัญญาติคือประคองจิตไว้ในการละบาปอกุศลการละบาปอกุศลมันก็อยู่ที่การตรวจสอบบองดูที่จิตเราเองเห็นความชั่วเห็นความไม่เหมาะสมเห็นความริษยาเห็นความแข่งดีเห็นความเบียดเบียนภายในจิตเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเพลีพ่ยนพยายามลดละ อย่างตั้งข้อสังเกตวันจันทร์เนี่ยเจอคำถามของคนบางคนเนี่ยคือนึกไม่ออกถามทำไมแล้วก็สนใจฟังธรรมะมาแล้วถามปัญหาในลักษณะนั้นโจมตีพระพุทธศาสนาเป็นของอินเดียนะจะยกย่องเชิดชูเป็นศาสนาประจำชาติได้ยังไงคือศาสนานี่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นของมนุษยชาติไม่ใช่ของใครหรอก ใครครอบครองคนนั้นก็เป็นเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นโล ก, กันนาเป็นที่พึ่งของชาโลกเป็นโลกกันนายกเป็นผู้นำของชาวโลกเป็นโล ก, กเกษตรเป็นพี่ชายคนโตของชาวโลกไม่ใช่พี่ชายคนโตของอินเดียเราครอบครองพระพุทธศาสนามาสองพันสองรอยกว่าปีแล้วอินเดียเวลาเนี้ยมีคนนับถือพุทธไม่ถらหรอกนั้นน่าะเห็นว่า แต่ความคิดบางอย่างเนี่ยเก็บไว้คนเดียดีกว่าจะออกมาข้างนอกเดี๋ยวข้อต่อไปเรียกว่าภาวนาประทานคือเพียนพยายามให้กุศลความดีบังเกิดขึ้นภายในจิตความดีทั้งหลายที่ยังไม่เกิดพยายามให้เกิดขึ้นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยมรรคเนี่ยอย่างที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เรื่องใหญ่เลย ถ้าสองข้อนี้เขาเกิดเนี่ยข้ออื่นจะเกิดตามมาถ้าสองข้อนี้สมบูรณ์เนี่ยทุกข้อจะสมบูรณ์ซึ่งก็หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นก็จะบรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาอย่างสังคมพุทธเราเนี่นะในหมู่สิ่งมีชีวิตด้วยกันเรามีความรู้สึกเมตตา ในทรัพย์สินจะเป็นของเราของแผ่นดินของชาติเราให้ความเคารพไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนทำลายล้างผลานแย่งชิงมีปัญญากํากับในการมองในการคิดในการตัดสินใจต่างๆซึ่งก็หมายความว่าในส่วนของ โลกวัตถุทั้งหลายเนี่ยเราไม่โลกในส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้นเราไม่โกรธหลักการในการดาเนินชีวิตนั้นเราอยู่ด้วยปัญญาที่พระเจ้าส่งยกย่องสรรเสริญว่าบัญญาชีวีจีวีธรรมโหสจทั้งชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตที่เปรตและความดีที่ทำได้แล้วมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้ว พยายามรักษาความดีเหล่านั้นและพยายามต่อไปรับสั่งว่าจนเต็มบริบูรณ์หมายความว่าที่ยังไม่เกิดก็พยายามไม่เกิดที่เกิดแล้วก็รักษาไว้และเราจะลืมว่าความดีสองข้อหลังเนี่ยจะไปป้องกันขจัดความชั่วสองข้อแรกเันพวกนี้เวลาพูดเนี่ย เขาเรียกปาหณะภาวนาคือละชั่วประพฤติแต่ในภาคของการปฏิบัติแล้วก็อย่างที่รับสั่งแสดงนี้ว่าสัมมาวยามะคือความพยายามชอบเมื่อเกิดขึ้นย่อมละมิจฉาวยามะคือความพยายามในทางที่ผิดทำที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาวายวะมะวายวยามะนั้นคือความเกียดคร้าน บางทีท่านเรียกว่าหมาโกศะคือความเกลียดคร้านขนาดหนักมีเลขกระเทศอ้างอิงโดยประการต่างๆเพื่อ้นไม่ต้องทำงานในขณะเดียวกันก็ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์จิตใจมุ่งมั่นสู่ผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ยอมรับไว้โดยชอบซึ่งสั ม, มัญยุทธรรมทั้งหลาย จะลองสังเกตว่าถ้าเราเลี้ยงชีพชอบเนี่ยคนที่เลี้ยงชีพในทางที่ชอบแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาต้องมีความเห็นชอบต้องมีความลำดิชอบต้องมีการงานชอบต้องมีวาจาชอบต้องมีความพยายามชอบต้องมีเลี้ยงการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบและต้องมีสติ มั่นชอบมีสมาธิชอบมันก็อะไรมั้งข้ออื่นก็ต้องเกิดร่วมนะฮะเกิดร่วมด้วยกันคือสรุปว่าพวกเราเนี้ก็ไปด้วยกันเพียงแต่ว่าอาการอะไรเด่นกว่านะเช่นตอนพูดเนี่ยส ม, มาวิจาร์เขาจะเด่นเขาคนหนึ่งก็สัมผัสได้แต่อย่าลืมว่าท่านในขณะนั้นก็มีความโกรธดุ ก็มีความโลภอยู่มีริสยะอยู่มีความแข็งดีอยู่มีความเห็นผิดมีความคิดผิดเขาไม่มีทางที่จะพูดไพเราะได้หรอกนั้นคือธรรมะที่จริงเป็นกระบวนแต่เรามองธรรมะแยกส่วนแล้วก็ไปมีความรู้สึกว่าออจะต้องขาดตรงนั้นขาดตรงนี้ต้องเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ก็เลยเพิ่มกันใหญ่ พอจำนวนมากเนี่ยคนฟังเลยขยาบกลัวธรรมะไม่กลัวจะถูกพันธนาการไม่สามารถที่จะเหยียดมือเหยียดเท้าได้แต่ท่านบอกว่าและย่อมรับไว้ได้ไว้โดยชอบซึ่งสัมยืทธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัมมาวายมะนี่คือนิยามนะ ข้อต่อไปท่านบอกว่าสมาสติสมาสติในการเจริญกาารรมฐานนี่เขาเรียกสติมาแล้ว่ามีสติสมาสติก็คือการระลึกชอบหรือคิดชอบระลึกได้ระลึกทันนึกออกก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดระลึกได้ว่าจะทำจะพูดจะคิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ขณะทำขณะพู้ขณะคิดก็ระลึกได้ว่าขณะนี้เรากําลังทําอย่างนั้นกําลังพูดอย่างนั้นกําลังคิดอย่างนั้นหลังจะทําพูดไปแล้วก็ระลึกได้ว่าเราได้ทําได้พูดได้คิดอย่างนั้นไปแล้วสติเป็นตัวห้ามตัวสกัดกัน้นความเลวร้ายทั้งหลายเอาไว้ยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างตัวอย่างเช่นนักศึกษารับน้องที่มาวิาทยาลัยบุรพานะฮะแน่นอนไม่มีใครต้องการให้การเหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราใช้สติสัมปชัญญะระลึกใกล้ได้นะว่าการเล่นต่อตัวในลักษณะนี้ต้องฝึกมากเหมือนกายกรรมกวางเจาเด็กก็ฝึกตั้งต้นเล็กๆนะฮะ ทีนี้เอาเด็กอายุสิบเดปีมาฝึกเนี่ยมันมันไม่ไหวหรอกและอย่างหนึ่งในขนาดฝึกเนี่ยเราจะเห็นว่าขาดสติขาดสติในเงื่อนของเวลาร่างกายมนุษย์ทนไม่ไหวหรอกฝึกกระไดกันตั้งตีสีไม่ได้พักผ่อนไม่ได้หลับนอนไม่ได้กินมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหยุดทบทวนดูมันจะเห็นความบกพร่อง ที่ให้ใช้เป็นบทเรียนตำหนิตีเตียงกันไปก็เท่านั้นเองนะแต่ว่าลองใช้เป็นบทเรียนถะลองดูเถอว่าการฝึกในลักษณะนี้มันนอกจากเป็นการโอ้อวดแล้วไม่รู้จะว่าอะไรแต่ถามว่าทําได้ดีจริงไหมมันก็มีคนอื่นทําได้ดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยเวลาที่ฝึกน้นอย การรับน้องนี่ควรจะเป็นแบบไทยๆนะฮะไม่ต้องคิดว่าฝรั่งเขารับกันยังไงดูที่ไทยเนี่ยเขารับรับญาติพี่น้องด้วยความรักกันอย่างไรแล้วก็เขรับกันอย่างกันคืใช้สติใช้สมชัมมิชนยะใช้เหตุผลแล้วมันก็ควรควรจะเรียกว่าสังคขยาใหญ่อะนะ ตอนสังเกตนาใหญ่ตีหน้าเหตการบ้านเมืองต้องดีกว่า น, นี้นะเหตุการในวงการศากษาต้องดีกว่า น, นี้วันสติมันจึงใช้ทุกเรื่องแต่ในที่นี้จะมีหลักธรรมสำคัญสามข้อคือสติสัมปจญญะและก็ความเพียรทมหน้าที่ขจัดกิเลส โดยตั้งสติและลึกรู้ที่กายที่เวทนาที่จิต ท, ที่ธรรมเพราะที่จริงก็หมดอะนะฮะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยจะต้องฟังโปรดสังเกตนะว่าที่จริงเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไรมันก็หมดทั้งนั้นนะอะไรก็หมดแล้วเช่นว่าอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนในคําว่าตนนั่นแหละมันเป็นกายมันเป็นเวทนามันเป็นจิตมันเป็นธรรม ตนเป็นปที่พึ่งของตนมันก็เป็นทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมอยู่ในตัวตนนั่นแหละคือบางครัง้งบางคราวเนี่ยเราไปเถียงกันก็เถียงทําไมละธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละทุกข้อนั่นแหละเถียงแต่ว่าเราไปยึดติดในรูปแบบโดยไม่มองในเชิงที่เป็นเนื้อหาว่าธรรมะทั้งหมดพระเจ้าแสดงจากปลายผมถึงปลายเล็บนะมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ไอ้เดิแสดงที่ไหนหราทุกก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละสมุทัยก็อยู่ที่ตัวเรานิโรอนิโรดก็อยู่ที่ตัวเรามรรคก็อยู่ที่ตัวเราเพียงแต่ว่าเขาไม่อยู่ร่วมกันบางคนเราคู่กันทุกกะสมุทัยนั้นเหมือนมืดนิโรกกับมรรคน้ะเหมือนสว่างเขาไม่อยู่ร่วมกันเราแต่ว่าชีวิตของสามัญชนที่จริงมันค่อนข้างขโมกขโมวานะใกล้ๆรุ่งใกล้ๆๆค่ำมันเลยก็เห็นเราเห็นซักกเยอะกันอยู่ ระวังทุกขสุขระวังกิเลสกัธรรมะก็ชักก็เย้กันอยู่ก็ต่อสู้กันต่อไปทรงใช้โครงสร้างเดิมว่าสัมมาสติเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยยอมละมิฉาสติและกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาสตินั้นได้ยงกระทำปณิภาในให้เป็นอารมณ์และย่อมยังสมมยุตธรรม ท, ทั้งหลายให้ปรากฏโดยชอบเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัมมาสติต่อไปข้อสุดทา้ายคือสมาสมาธิ ครสร้างเดิมสมาสมาที่เป็นอาการของจิตที่เพ่งดูอารมณ์หรือเกิดผลจากการเพ่งอารมณ์จิตมันนิ่งเป็นหนึ่งก็เรียกเอกขตาในขณะนั้นแหละจิตสงบจากความคิดที่เป็นอาการของกิเลสประเภทต่างๆเพียงแต่ว่าใน การเจริญกรรมฐานเนี่ยพระเจ้าทรงเรียกว่านิบบานนิบนนบานเองก็ครอบคุมหมดคพอบคุมกิเลสอย่างอื่นทั้งหมดเอาไว้ก็คือโรกกวดลงแต่ว่าเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นรุ่มลุมจิตไม่ถึงกับล้นออกมาข้างนอกจนพูดผิดทำผิดคิดผิดแต่ก็อยู่เฉพาะภายใน แต่กลุ่มมุมใจใจก็บุคคลเหล่านั้นก็ร้่าร้อนเพราะในสมาสมาธิเองสงสังยใชย่ใช่ใช้โครงสร้างเดิมนะฮะว่าสมาสมาธิเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยย่อมละมิฉาสมาธิมิฉามาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นผิดถ้าลองสังเกตเราคล้ายๆกับ ค, ค, ค, คนที่ ปรุงยาพิษเพื่อจะฆ่านี่จิตมอนก็นิ่งนะหรือคนต้องจะยิงคนอื่นจิตมันก็นิ่งเนี่ยนะคนถือสมวกต้องการจะแทงปลาเนี่ยิงจิตก็นิ่งตาเพ่งมองนิ่งเลยนะมันแค่แค่าอาการธรรมะแต่พวกนี้ทั้งหมดเป็นอาการของกิเลสกิเลสชุดนี้ตามปกติเราไม่เคยพูดเพราะมันยาว คือตามปกติไอ e ้องทำที meet meet als, um, e Hello, hos, ่ยาวๆในพระไม่เคยพูดคยวถ้าพูดแล้วเราจะพูดในห้องกรรมฐานมันก็ต่อกันไปเป็นตออเป็นตอเป็นตอนมันต่ไปอย่างมหาสติปัฏฐานในสูตรเนี่ยอันจะมาเริ่มบรรยายที่จิดสวมาเมื่อศสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดทุกทุกเสาครั้งละหนึ่งชั่วโมงอบรมกับฐานครั้งละ ครึ่งชั่วโมงนั่งสมาชิอีกก็ยี่สิกว่าชั่โมงยี่สบกว่านาทีรวมแล้วทั้งหมดก็สองชั่วโมงทุกทุกเสาตั้งแต่ห้ารอยยี่สิบเอ็ดมามรดกติปทานยังไม่จบตอนนี้กาลังอยู่ที่อริยสัต ท, ที่มัคคสัต ท, ทีนี้พอมัคคสัตเดี๋ยวมันแตกเลยไปเข้ากระจายไปในที่ต่างๆมากมายกลกองเพราะว่าธรรมะ ส, ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมักคสัต มันก็เป็นเป็นอนเนกกับประยายคือนิยามต่างๆแต่ว่าเขาก็เป็นเพียงถนนเมื่อคนก้าวก้าเดินไปบนถนนใดก็ตามมันมีจุดที่จะพบกันพบกันที่ความสุขความสงบความเยือกเย็นที่ปรากฏอยู่ภายในใจนานบ้างไม่นานบ้างแต่ว่าที่ต้องการจริงคือทวร เพราะในอริมักปอีองแปดประการเนี่ยท่านก็บอกว่าบัด น, นี้พระเถระเมื่อจะกล่าวย้ำปฏิปทานนั้นนั่นแหละจึงกล่าวว่าอายังข้อห้าโซอาวุโซดังนี้เป็นต้นคือคือภาษาดิบุตรอะภาษาดิบุตรที่ภิกษุทักถามว่าทำยังไงที่เรียกว่าเป็นธรรมทายาตไม่ได้เป็นนามิสธายาตเนี่ย แต่สารีบุตรเริ่มมาจากว่าศาสดายินดีในที่างามพราะนั้นถ้าสาวกจินดีในที่สงาก็ชื่อว่าเป็นธรรมธายาเป็นนมิสธายาก็เรื่อยมาแล้วเสร็จแล้วก็มาสรุปที่อริมักดวงแปดประการว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดํารงพระชนอยู่บนเส้นทางของอริมักดวงแปดประการแล้วก็ให้เกิดผลเป็นมักสี่บนสี่ จนถึงอันนี้พรรดินหนึ่งนะฮะก็สรุปว่าเป็นธรรมตายาดเรื่อยขึ้นไปเรื่อ ย, อยก็หมายความมารับมรดกมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าเกิดเป็นชาวพุทธครั้งหนึ่งนะี่นะอย่างน้อยที่สุดให้มีหลักใจเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวมีเมตตาก็ได้มีฮิริโอตปะก็ได้มีความขยันหมั่นเพียรก็ได้มีสติสมัมปชัญญะก็อะไรก็ได้นะฮะ ถือว่าเราเห็นชัดเจนว่าเราเป็นคนอยู่อย่างมีเมตตาต่อคนทั้งหลายเราอยู่ยังมีสติเราอยู่ยังมีสัมชัญญาเราอยู่ยังมีความเพียรเราอยู่ยังมีสัจจะคือให้เห็นธรรมะในจิตเห็นจิตมีธรรมะเห็นธรรมะมีอยู่ในจิตแล้วที่ท่านใช้คำว่าสั ม, มยุตตธรรมคือธรรมที่เป็นพวกเดียวกันก็จะเกิดตามมากิเลาที่ตรงกันข้ามก็จะถูกลดลาจางคลายออกไปจากจิตใจ ดังนั้นชีวิตของใครก็ตามที่ดำเนินบนเส้นทางอริยมรรคปองแปดประการแม้จะไม่ครบทุกองค์คือไปเพียงองค์ใดองค์หนึ่งเช่นว่าเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นธรรมะญาตระดับหนึ่งแล้วเป็นคุณค่าแท้ของชีวิตท่าความทังหล า, ายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้